วิทงงินดาชมงอลทั ญ, ญบุรีวิทยุราชมงคลทัญ้ญาบุรี้ m เม5ะเฮเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตศูนย์นวัตรกรรมความรู้ RMUtt Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรี เปิด่วนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 และสาขาที่2วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบรุรีศูนย์รังสิทธิ์ปากทางเข้าเมืองเ อ, งเอกสอบถามเพิเ่มเติม0 2 5ย์ส9งห้าเพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบรุรีแหลง่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้รวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่า100สายพันธุ์ทั้งบัวพันธุ์ไทยหายาก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 ท่านผู้ฟังวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการเรื่องเก่าที่เรารักทางคลื่น 8.9.5 FM Makerhurst นะครับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับก็เป็นเรื่องราวเก่าๆที่เราจะได้กลับมาพูดคุยกันอย่างออกรดออกชาติ น, นะครับสำหรับเพลงที่เปิดรายการที่เพิ่งจบไปวันนี้ผมเลือกเพลงจ้ากันปราชญของพี่ตูนนันทิดาแก้บวบัวสายนะครับซึ่งหลายๆคนนีอาจจะยังไม่รู้ว่า ก่อนที่พี่ตู่จะมาเป็นนักร้องดีว่าอันดับหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยเธอเคยร้องเพลงลูกทุ่งมาก่อนนะครับแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ในหนังที่เธอเล่นเรื่องแรกก็คือเพลงนักดอกไม้บานและเพลงจำการบรรดาการนะครับเป็นเพลงที่สร้างชื่อให้เธอเป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นด้วยนะครับและที่สําคัญวันนี้ผมมีแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับคนต้นหรื อ, เ, อ, อเจ้าของฉายาต้นต่อพี่จิตหรือ ต้นต่อนักนิยมเพลงเก่านะครับที่หลายๆท่านน่าจะคุ้นเคยกันดีกับคนที่มีย่อฟังเพลงลูกทุ่งแล้วก็ชอบเรื่องราวของหนังไทยในอดีตแล้วก็เรื่องราวเก่าๆคุณต้นแนะนําตัวนิดนึงครับว่าเออทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ผมนะครับมารุศวชํานะครับต้นต่อพิจิตตนะครับที่เพื่อนๆรู้จักกันครับตอนนี้ก็มีร้านเล็กๆนะครับเป็นของสะสมนะฮะจะเป็นพวกอ่า เพลงหนังหนังสืออะไรพวกนี้นะฮะหลายๆอย่างเกี่ยวกับสื่อบันเทิงหลายๆอย่างเนี่ยในยุคกเก่านะฮะจะเก็บรวบรวมมาที่นี่นะครับครับผมครแล้วก็นอกจากเรื่องของเพลงแลเนี่ยคุณต้นก็สนใจเรื่องของหนังด้วยใช่ไหมฮะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องหนังกลางแปลงซึ่งเด็กๆในยุคนี้หลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจทําหน้างงว่าเอ๊ะหนังกลางแปลงมันคืออะไรอะนะนะเราสอคนเนี่ยจริงๆ เป็น อ, อ, อายุห่างกันนะครับแต่ว่าวันนี้ อ, อ, อนุโลมให้เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันนะเพราะว่าเราได้ประสบการณ์ของหนังการแปลงร่วมกันใช่ตองเด็กๆ เ, เนี่ยผมเคยเคยอยู่จังหวัดมุกดาหารนะฮะอำเภอคําชะอีซึ่งมันเป็นอําเภอที่ค่อนข้างห่างไกลจากตัวเมืองตอนนั้นมุกดาหารยังไม่เป็นจังหวัดเมืมาาม่อสักสามกว่าปีแล้วฮะก็เราก็จะได้ดูหนังการแปลงกันบ่อยๆเพราะว่ามันมีหนัง บริษัทขายยาเข้ามาฉายแล้วก็เนี่ยตอนนั้นผมได้ไปเป็นเป็นคกรุงเทพหรือว่าไปอาศัยอยู่ที่มุกดาหารก็เลยได้สัมผัสเรื่องราวดีๆสัมผัสบรรยากาศที่เด็กในเมืองจะไม่มีโอกาสสําหรับคุณต้นเป็นยังไงบ้างนะสำหรับผมนี่ก็คือเหมือนแบบเหมือนกันนะครับผมเป็นคนพิจิตต อ, อยู่ตามแต่ก่อนมันเด็กมันนอกครับพู ง, ง่ายๆนะสมัยก่อนเนี่ยครับทีวีก็จะมีน้อยนะทีวีพวกสื่อบันเทิงอะไรจะไม่ค่อยมีครับนะครับแล้ว จะมีอย่างหนึ่งเลยเนี่ยตามงานวัดหรือตามอะไรเนี่ยจ้องอยู่อย่างเดียวเลยคือหนังกลางแปลงนะเมื่อก่อนนี้จะมีหลายอย่างนะมีลิเกเอ่ยมีเขาเรียกอะไรวงดนตรีเอ่ยอะไรเงี้ยทุ่งนะใช่ครับจะมีหลายอย่างอ่าใช่ใช่ก็เราเองเนี่ยชอบดูหนังอยู่แล้วครับไปที่งานปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปดูก่อนเลยนะรถฉายอยู่ตรงไหนจออยู่ตรงไหนนะเราจะไปเกาะทายรถดูเลย ว่าวันนี้จะมีเรื่องอะไรนะเขาจะเขียนไว้ท้ายกระเป๋าเลยเวันนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นเราก็ได้ดูแลเรื่องนี้วันนี้ได้ดูแน่นอนน ะ, ค, ะครับคือต้องเล่าย้อนกลับไปนิดนึงนะคะว่าเมื่อสมัย30บกว่าปีที่แล้วหรือ40กว่าปีที่แล้วเนี่ยความบันเทิงของคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือชา้นเมืองอ่งเงี้ย ก็จะต้องเป็นหนังกางแปลเป็นวงดนตรีวงดนตรีลูกทุ่งอย่างที่บอกเพราะว่าการเดินทางที่จะเข้ามาดูหนังในเมืองในโรงหนังซึ่งในต่างจังหวัดเนี่ยครับถ้าจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีโรงหนัง2โรงถ้าจังหวัดเล็กๆก็จะมีโรงหนึ่งนะฮะแล้วหนังที่เข้าฉายเนี่ยถ้าเป็นหนังดังคนดูเยอะฉาย2วันถ้าหนังปกติธรรมดาคนดูพอสมควรก็จะฉายวันเดียวก็คือฉายรอบบ่ายกับรอบค่ำนะฮะแล้ว คนที่อยู่ต่างอำเภอไปไกลๆเนี่ยการที่เขาจะเดินทางเข้ามาดูหนังในตัวเมืองเนี่ยมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงเป็นร้อกิโลกสิกิโลเลยนะฮะบางทีกว่าจะทํานาเสร็จทําไร่เสร็จเนี่ยมันไม่ทันกับรอบฉายความบันเทิงอย่างหนึ่งที่ทุกคนรอคอยก็คือหนังกลางแปลงหรือหนังใครยาหรือตัวอย่างว่าหนังเร่นะฮะมันเรื่องมันเรื่องหลายอย่างนะครับครับแต่ว่าถ้าเราย้อนรอยไปนิดนึงนะครับสําหรับวงการภาพยนตร์เนี่ยถ้าจะนับว่าภาพยนตร์ ที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเขาว่ากันว่าอันนี้ประวัติศาสตร์ที่ที่ที่กล่าวกันไปนะครับว่าเข้ามาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยคณะละครเร่ของฝรั่งนะครับของนายเอสจีมาคอฟสกี้นะฮะแล้วก็เขานำหนังฝรั่งเข้ามาฉายเป็นครั้งแรกวันที่10มิถุนายน2440นะครับฉายที่ไหนรู้ไหมครับคึต้น โรงรละครหม่อมเจ้าอลังการครเราเคยได้ยินเนาะชื่อโรงหนังอลังการอะไรเงี้ยเคยคเคยได้ยิน<ช><ช> น, นาะคุณคุณหู<ช><ล>ยอยู่นะครับ <นะ S 2> ครับแล้วก็หลังจากที่หนังเข้ามาฉายแล้วเนี่ย ม, มันก็เป็นความบันเทิงในรูปแบบใหม่สําหรับคนในยุค น, นั้นน ะ, นะครับการฉายหนังเนี่ยมันทําให้เข้าถึงคนดูได้มากขึ้นมันทําให้ความสุขเนี่ยกระจายไปทั่วประเทศไปถึงทั่วทุกทุกที่นะครับสําหรับ หนังกลางแปลงเนี่ยเขาว่ากันว่าได้รับความนิยมมากขึ้นก็คือช่วงที่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่อเมริกาและก็สหภาพโซเวียตเนี่ยกลายเป็นประเทศหมหาอำนาจแล้วก็ทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับพยายามที่จะเข้าแทรกแซงพยายาม ที่จะเข้ามามีอิทธิพลกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยต้องการใช้ประเทศไทยให้เป็นป้อมปราการต่อต้านคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นเขาเลยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็การทหารรวมไปถึงในเรื่องของการบันเทิงต่างๆด้วยนะครับโดยหนังกลางแปลงเนี่ยก็ถือเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งของที่ภาครัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยต่างก็ใช้เป็นเครื่องมือในการไปสัมพันธ์องค์กรของตัวเองนะฮะ สมัยนั้นเนี่ยเขามีหน่วยเครื่องที่ประชาสัมพันธ์โฆษณาข่าวสารจากภาครัฐแล้วก็มีทั้งหนังขายยาหรือหนังกลางแปลงเนี่ยนะครับที่โฆษณายาแล้วก็เข้าไปขายตามหมู่บ้านใช่ฮะก็อคือหนังหนังหนังกลางแปลงเนี่ยเขาเรียกได้อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือเรียกเรียกได้ทั้งสามอย่างก็คือหนังล้อมผ้าหนังล้อมผ้าใช่กับหนังเร่หนังขายยา ทีนี้เราก็มามาแยกแยะนิด น, นึงนะครับว่าอย่างหนังหนังล้อมผ้าเนี่ย อ, องค์ประกอบหลักของมันก็คือจะต้องมีาการฉายหนังแบบล้อมผ้าหรือล้อมรั้วสังเกติล้มร<ส>ั้วใ ช, ใชฮะแล้วก็มีการเก็บตังค์เก็บค่าเข้าชมจากคนดูใช่ไหมครั บ, ค, รบคุณต้นได้ได้สัมผัสกับบรรยากาศของหนังล้อมรั้วบ้างไหมฮะบรรยากาศของหนังล้อมผ้าสมัยก่อนนี่ก็จะเป็นนตอนนั้นน่าจะเป็นหนังใหม่นะครับที่หลุดจาก กลงใหญ่ ๆ, ๆออกมาแล้วนะฮะแล้ว<ช>บริการหนังเนี่ยเขาก็จะไปซื้อหรือจะเช่ามาก็แล้วแต่นะครับเช่าชชฟิล์มมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหาที่ในการตั้งฉายพอตั้งฉายเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะล้อมนะครับพอตั้งจอเสร็จปุ๊บก็จะล้อมล้อมเสร็จเนี่ยชักช่วงสายเนี่ยนะเขาก็จะมีรถแหหรือรถไรของเขาก็แล้วแต่นะโฆษณาไ ป, ไปตาม หมู่บ้านตามซอยอตามอะไรอย่างเงี้ยนะว่าหนักเรื่องนี้จะมาฉายนะครับที่โน่นที่นี้ที่นั่นก็แล้วแต่กี่โมงกี่ยมามาขาบก็คืออย่าอ ที่ผมเห็นนะนะคือมีเด็กๆบางกลุ่มก็จะโซนๆหน่อยสมมุติเขามีรั้วผ้าล้อมผ้าไว้หรือล้อมสังกะสีก็จะแอบมุดเปิดสังกะสีเปิดผ้าแล้วก็วิ่งเข้าไปคนเดินตัวคนเก็บตัวเก็บค่าเข้าชมมาเห็นก็ไล่มันก็วิ่งออกมาทีหนึ่งพอเผยกาวิ่งเข้าไปอีกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสนุกสนานเรื่องท้าทายของเด็กสมัยรุ่นด้วยนะครับใช่ครับสมัยก่อนถ้าเกิดอาจจะเป็นถ้าเป็นผ้านี่อาจจะเจาะใช่เจาะได้แล้วก็มุดเข้าไปอาจจะเจาะได้ ถ้าเป็นถ้าเป็นสังกสีเนี่ยอาจจะรอดดูตามรูเอาอย่างเงี้ยรูสังสีนะฮะสนุกจริงๆก็มันเป็นเรื่องสนุกสนุกสำหรับเด็กๆนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนัก อ, อย่ารไรก็ถ้าถ้ามีการซื้อขายหรือว่ามีการจําหน่ายบัตรก็ควรจะอุ่นนุ่นค่อยเป็นเรื่องเป็นราวนะครั บ, ร บ, รบก็นอกจากหนัง ล้อมผ้าแล้วก็จะมีหนังขายาอย่างที่บอกเมื่อกี้<ช>ก็คือ<ช>เป็นหนังเล่หนังขายาซึ<ช>่งก็คือจะมีบริษัทเข้ามาขายสินค้าในหมู่บ้านแล้วก็<ช>มีการสมมติชายชายหนังไปพอถึงตอนพีคของเรื่องเนี่ย<ช>ก็จะมีกา ร, รตัดหนังหยุดหนังยุดแล้วก็ประกาศขายสินค้า พอทำยอดได้จะถึงกลับมาฉายต่อใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็จะช่วยกันซื้อเพื่อที่จะให้ยอดได้ดูจบจะได้ดูจบใช่ครับช่วยกันซื้อคนละห้าบาท10บาทก็แล้วแต่สมัยนู้นนะอ่าครับก็เรียกได้ว่าเรื่องราวของหนังกลางแตลงเนี่ยมีบทบาทแล้วก็มีสีสันในชีวิตของคนสมัยก่อนของเด็กยุดก่อนมากนะครับก็แต่สําหรับวันนี้ครับเวลาค่อนข้างน้อยเราขอพักเรื่องของหนังกลางแตลงไว้ในที่นี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาต่อกันว่าเสน่ห์ของหนังแปลงเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างสําหรับคุณต้นนะครับสําหรับวันนี้ผมชลบดิตอรุณทัศน์นะครับแล้วก็คุณต้นต้นตอพิจิตนะครับขอลาไปก่อนสําหรับค่าคืนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงวันอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันอีกทีนะครับสวัสดีครับอแต่ก่อนไปผมขอลาไปด้วยเพลงสิ้นรักสิ้นสุขของคุณจุ๋มนาฐิกาจางเพลงประกอบภาพยนตร์จักเป็นชู้กับผีนะครับครับสวัสดีครับ คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเรื่องเก่าที่เรารักได้ในครั้งต่อไปสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง w w w radio. rmutt. ac. th หรือติดชมรายการได้ที่ facebook. com/slash rmuttradio หรือทาง Line อ f f i c i a l @rmuttradio ส่วนครวนคราวก่อนเคยรักซับซ้อนปั่นคำหวานพราะพรำกลับชกช้ำกลืนกล้าวจำฝืนตัดขาจากกันความสุขสัร สุกกใคลายรักสไลยใคลายนจะหลัจะนอนใจทอทอนสะท้อนเสืยนสอบสุขลืมทุกสุฟืนคมคืนหัวใจหมดสิ้นอะไร เหมือนไฟหมดเชือ้อนิดเดียวไมเ่เหลือเลยจิตสุดฝืนรักคืนสิ้นไปไม่เหลืออะไรให้ฉันจะสุขอย่างไรในเมื่อใจต้องไหวต้องมั่เฝ้าผู้พั จะ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 หรือทาง Line o f f i ิ i a l ยล R M U T T Radio